เราก็ให้สุขพนัสตาพนัสสุขเป็นพระโสดที่ทำให้พัะเจาวักขีนะทั้งห้าได้กระป็น<ม>เป็นพระอาหารหันต์ก่อนนั้นนนั<ม>้ไม่ใช่ใช่ยลยก่ อ, อ น, นนั้นนนั้ก็ท่านก็เป็นพระโสดาบาลก่อนนะอืม แต่ก็พอาจารแจกแจงนะขนาดปัญญาระดับพระโสดาบันถ้าเปย่งแจกแจงเวทูมันไม่เทียอย่างไรเวทนาไม่เทียยยญญนะเท่ยงอย่างไรสนะัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกอย่างไรแจกแจงในขันทั้งห้าละเอียดมาก คืออาจจะเนื่องด้วยคือความยึดติดนะความยึดติดในการเห็นว่าขันนะทั้งท่าเนี่ยมันเป็นตัวตนของเรามันต้องแบบถามค่อยๆถามค่อยๆถามเพืออออ่อให้ขุดนะให้มันเห็นตามสิ่งที่ท่านถามสิ่งที่คำตอบที่ออกมามันถึงจะเรียกว่า ถอนรากถอนโคนนะความเห็นผิดนะนะความเห็นผิดที่ยิ่งใหญ่ของของสรรพสัตว์ก็คือเนนะี่ยความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของของเรานะในขันนี่แหละนะให้ที่วัดฝูงภายนอกที่เป็นของของเราเนี่ยมันก็เนื่องด้วยความมีตัวเราเนี่ยแหละนะมันก็เลยเกิดเป็นของของเราขึ้นมามัน เราจะทำอะไรให้เราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปัญญาสูงสุดก็ได้ น, นะในทางพุทธศาสนาแต่จริงคือความไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นธรรมชาติเดิมแท้นั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การที่จริงไม่ใช่เป็นการลกตัวตนแต่เป็นการเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงมันไม่มี บางทีตัวตนมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าความหลงนะสังเกตนะไหมความเป็นครูความเป็นแม่ความเป็นลูกความเป็นคนไทยนะความเป็นนักปฏิบัติธรรมนะมันเกิดขึ้นตามเรียกว่าบริจีบดนะเรามาเดทที่นี่พระจะเรียนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะ เรากลับไปทำงานเราอาจจะเป็นครูเป็นอะไรนะกลักบกไปที่บ้านหาพ่อหาแม่เราก็เป็นลูกสถานะบทบาทมันเปลี่ยนไปตามตามบริบทต่างๆแต่บางทีคนส่วนใหญ่ก็ไปหลงยึดในความเป็นตัวตนเนี่แะนะก็เลยก็เลยเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องสมมุติ เนี่ยแท้จริงนะอนะสมมุตินี่ต้องศึกษานะถ้าเราไม่เข้าใจสมมุติที่แท้จริงมันก็มันก็ยากที่จะลสมมุติได้นะอจะเอาแต่แบบปรัชญาอย่างเดียวอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรก็เป็นฟุกแต่ไม่เข้าใจจริงๆมันก็จะเป็นเข้าใจแบบปล่อยวางแบบไปยึดมั่นในความปล่อยวาง <c oughs> มันมี มีหลายคนที่อ่านเยอะศึกษาเยอะนะบางทีรู้นะรู้เยอะนะแต่มันไม่ใช่ปล่อยวางจริงเปนการปล่อยวางตามตำราปล่อยวางตามครูบาอาจารยนะ์แต่ที่จริงมันก็คือการยึดการปล่อยวางนะนะยึดนะยึดตำรายึดทฤษฎีทีต่ตัเองศึกษามาแต่ถ้าเราภาวนานจริงเราจะเห็น เราจะเห็นก่อนที่มันจะเกิดตัวตนเนี่ยมันก็มันไม่มีอะไรมาก่อนมันอยู่ในสภาวะที่จิตมันเป็นปกติแร้วมันก็จะเห็นว่าจิตมันแวกบออกไปนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกเกิดขึ้นปรุงแต่งเป็นความคิดเนี่ยกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความที่มัน ไม่มีตัวตนมาก่อนพอส ต, ติเรารู้ทันตัวตนมันก็มันก็หายไปในทิศตามันเหมือนพระเจ้าบอกทีมันเหมือนพายัคแดดนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวขึ้นมามันก็มันก็สลายไปละเหมือนน้ำค้างบนยอดยาดนะพอต้องแสงพระอาทิตย์น้ำค้างมันก็หายไปละ น่คือเราภาวนาเพื่อเห็นว่าตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมันไม่มีนะแต่เพราะเราหลงมันก็เลยเกิดการสร้างตัวตนขึ้นเกิดการสร้างตัวตนแล้วเกิดการไปยึดตัวตนนะมันหลงไปสร้างก่อนแล้วก็หลงไปยึดหลงไปยึดควาเป็นตัวตนของเราจริงๆ แต่ถ้าเราฝึกให้เราเห็นบ่อยนะอย่างเราภาวนาเราจะเน้นอย่างการเรากายานุปัฏนาสติ ป, ปัฏฐานเราจะเน้นเห็นกายเคลื่อนไหวนะนะไม่ใช่เราเป็นผู้เคลื่อนไหวนะเห็นกายมปนเคลื่อนไหวเมื่อไหร่ที่สติเราเละเอยียดจริงจิตนะมันจะเห็นกายเป็นช่วงๆจริงจิตนะ เช่นเอาแบบจับยาเนี่ยกายพลิกมือนะมันพลิกมือเรารู้สึกหยุดมันก็รู้สึกยกมันก็รู้สึกเอ็ความรู้สึกทีละขณะ ท, ทีละช่วงเนี่ยมันจะเห็นเหมือนชีวิตของเรามันมันเป็นเพียงแค่ช่วงขณะที่มันต่อกันเหมือนจุดไข่ปลาที่มัน มันมันถือเนื่องกันนะมันไม่ใช่เป็นเส้นเดียวกันร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันมันเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะอย่างเราหายใจก็ก็เช่นกันเราหายใจเข้ามันก็มีจวัวะที่มันหยุดนิดนึงแล้วก็ค่อยหายใจออกไม้แต่หายใจออกมันก็มีขณะที่หยุดนิดนึงค่อยหายใจเข้า ถ้าถนัดที่เรารู้ทีละขณะมันจะรู้สึกมันเหมือนภาพที่มันซ้อนๆต่อๆกันเพราะร่างกายที่เรารู้นะเรารู้ตัวที่ร่างกายทีละขณะเนี่ยมันมันติดอยู่แค่อักการทีละการที่มันสื่อเนื่องกันนะมันหาความเป็นนะแต่ก่อนเราคิดว่ามันเรียกว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะ มันเกิดเราคิอว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนัึงสุดท้ายมันคือความตายแต่ภาวนาจริมันเห็นมันมันเกิดแล้วก็จัดทีละขณะเกิดแล้วก็จัดจีตขณะร่างกายที่ไหาหายใจเข้ามันก็เป็นหนึ่งขณะร่างกายที่ไหายใจออกก็เป็นหนึ่งขณะร่างกายที่ไหายใจเข้าใหม่ก็เป็นอีกอีกขณะหนึ่ง หายใจออกใหม่ก็เป็นอีกทีลนะพันงุ์นะทีวิตเราก็เลยเป็นเหมือนเป็นส่วนเสี้ยวเพีแท่ทีลันษนณะแต่เพียงว่ามันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะจนสุดท้ายร่างกายมันก็ตายมันก็ตัดธาตุกันเน่ยรูปนะ่นะัมแสดงความนะความไม่ใช่ตัวตนผ่านนี่แหละนะผ่านการหายใจ ผ่านการเคลื่อนไหวผ่านการหยุดนิ่งนะมันมีการเคลื่อนมนมีการหยุดชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนะนแต่เป็งว่าเราเราไม่ค่อยเห็นนะถ้าจิตมันไม่มีสมาธิไม่มีสติ ด, ดีมันก็มันจะรู้สึกว่าเหมือนมันก็เคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยเคลื่อนไปเรื่อยหรือถ้าเราไม่ได้ฝึกสติอย่างถูกต้อง ตัวรู้ตัวนี้มันก็จะเป็นรู้ไม่ใช่รู้ทีละขณะนะมันก็จะรู้ยาวหรือว่ารู้แบบผ้าผ้ารู้แบบเบล อ, ร, บอ ร, รู้แบบไม่ชัดเจนนะมันก็จะรู้สึกว่าอืมมันก็ไหลไปเลยตามตามสภาวะนะหลายคนปฏิบัติธรรมแล้วก็จิตก็ไหเป็นเกาะอยู่กับรู้นะยิ่งถ้าบางคนฝึกแต่สมาธิ ยิ่งส่งจิตไปไปอยู่กับการเคลน่อเลยอย ก, การเคลื่อนนะพอเคลื่อนมากๆจิตมันก็น้อมมันก็สงบมันก็สบายนะมันก็ไม่คิดมันก็ว่างๆนะแต่มันก็ถึงจุดหนึ่งเบิ น, นานมากหรือจิตมันนะมันฟุ้งออกมาเองมันก็กลับมาสู่นะความคุนะ้งร้าน ความไม่สบายเหมือนเดิมแต่เราฝึกสตินะเราจะเพียงแค่เห็นมันอนที่ว่าร่างกายเราเห็นเป็นทีละขณะอารมณ์หรือความคิดความรู้สึกอะไรก็เหมือนกันเราก็ดูมันเราก็ดูจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปทีละขณะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ย ว, ยวก็เฉยเรียกว่าดูเวทนานะมันก็มีแค่สามอย่างนะ น, นะ ตลอดชีวิตนะไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็เฉยนะมันก็เวียนไปเรื่อยนะหรือความคิดนะดูจิตนะดู ง, ง่ายๆก็ดูว่าปกติกับไม่ปกติแค่นั้นแนะอืมขณะที่ปกติอยู่ขณะนี้ไม่ปกตินะปกตินะ ม, มันก็เป็นอันเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ไม่ปกตินะบางทีก็อาากเรียกชื่อต่างกันตอนนี้กํลาลังหงุดหงิดกํลาลังโกรธกำลังอยากกาลังรักกํลาลังชังขนาะดมันก็เรียกไปแตกต่างกันแต่ถ้าปกติเนะี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเรากลับมาหาสุวามเป็นปกตินะนะมันก็จะเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันหลวงพ่อผเขียนมักจะพูดนะถ้าเรา ถ้าเรารู้สึกตัวนะเราจะเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเรามีรู้สึกตัวนะเราจะเป็นนั่นเป็นนี่นั่นหี่เป็นผู้โกรธเป็นผู้โลภเป็นผู้หลงเป็นผู้รักเป็นผู้ชั่งกายเป็นคนละคนถ้าในพวกเราสี่จิตคนรู้สึกตัวนะเป็นปกติเราก็จะเป็นคนคนเดียวกันคือสภาวะจิตที่มันปกตินะมันเหมือนน้าที่มันเข้ากันนะ น้ำที่มันเข้ากันน้ำจะไหลไมาจากแม่น้ำไหนจะตกมาจากที่จังหวัดไหนพอไหลรวมกันก็เข้ากันกลนะายเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ที่จริงจะมองเรื่องคนอื่นนะว่ามันเหมือนเรามันก็ได้แต่จริงมันคือสภาวะปกติของใจเราเนี่ย น, นะมันเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติกับธรรมะ ขณะที่เราถึงปกติเนะี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับพระพุทธเจา้าเหมือนกับพระอริยสมทั้งหลายเนี่ยคือใจที่ปกติเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ด้วยใจที่เป็นปกตินี่แหละเราจะไม่รู้สึแแกแตกแยกจากจากอุปราธนาใจถ้าเราเข้าถึงสภาวะเนี่ย เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยใจเป็นหนึ่งใจปกติอยู่กับสภาวะธรรมนมันจะรู้สึกไม่แตกแยกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลงไปนะมันเกิดเป็นความคิดนี่เราหลุดพ อ, อละหลุดออกจากความเป็นปกตินะเราก็หลุดแตกแยกออกไปจากจากพละทัณฑ์ตายละแม้บางทีเราอาจจะ ป, ปฏิบัติในรูปแบบอยู่นะ แต่ถ้าใจเราหลงไปคิดนานๆนะเราก็หลุดออกไปอย่างสภาวะปกติเราก็เราไม่รู้สึกตัวมันก็กลายเป็นพุทธะในใจเราต้องหลุดออกไปละแต่มันก็แต่มันก็ห้ามไม่ได้นะบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆสติม ok ันจะเป็นอ yeah. ัตโนมัต มันก็จะเห็นความคิดมันเกิดสติมันก็จะรู้ทันของมันเองนะมันก็รู้ของมันเองตื่นต่อไปเมื่อเราฝึกบ่อยๆนะมันก็จะเห็นว่าไอ้ความคิดก็ส่วนหนึ่งไอ้จิตที่มันรู้ก็ส่วนนึ้นมันจะคิดก็คิดได้ไม่เป็นไรนะแต่มันจะรู้สึกว่ามันเป็นคนส่วนเหมือนรถมันวิ่งคนอะไรนะ มันไม่ชนกันอแต่แต่ก่อนนะมันเหมือนเราอะ่ะเหมือนเราขับรถไม่เก่ง น, นะเราจะไปนชนรถเลนอเออเลงตรงข้ามไปเรื่อยเลยนะคือจิตเราที่มันวางไม่ไมดีนะเราไปนชนกับความทุกข์ไปนชนกับอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาเรื่อยแต่พอเราภาวนาจริงๆเหมือนอารมณ์ที่มันเข้ามา มันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็แค่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นเมันเหมือนรดที่มันวิ่งอีกเลนนึงมันก็ไม่ไ่อันตรายถ้าเราปบครองรับองเราให้มันถูกเลนดีๆไม่ได้มีปัญหาถ้าเราติดตัวปื่นดีนะจิตมันตั้งมั่นการภาวนาคนก็ไม่ได้เป็นปัญหาเสียงต่างก็ไม่ได้เป็นปัญหาสิ่งต่างๆที่กรข้บต่างๆไม่เป็นปัญหาเมื่อเหมือน มันอยู่คนละส่วนกันเหมือนรถคนละเลนนะแล้วก็ขับของเราไปในเลนปกนติของเรานะเพียงแต่ว่าถ้าเลนตรงข้างเขาขับอันตรายเราก็จะหานดรู้จักจ บ, บนะรู้จักเบรคนะรู้จักรว่วมแต่เราเองน่ะคือเราระวังจิตของเราเนี่ยแหละไม่ให้เบร์ไม่ให้เผลอไปชนกับเขานะเนี่ยถ้าภาวนา อย่างเข้มแข็งกินนะความคิดที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะความคิดที่เกิดขึ้นมาเราก็เิดแค่รู้ <c ười> เราก็อิดแค่รู้ว่ามันคิดน่มันเป็นความไม่เที่ยงของจิตที่มันเปิดไปคิดนแต่ด้วยอะไรก็ช่างของมั น, ม น, ม น, มนแต่มันแต่ความคิดเรที่เห็นว่ามันไม่ใช่เราความคิดน่ะจะเย่างว่าก็เป็นเพียงแค่ความคิดนะ ที่หลวงพ่อเขียนนั่นบอกความคิดทุกอยาก่างอารมณ์ทุกอย่างนะพูดง่ายๆว่าเป็นอาการก็ได้มันง่ายนะเห็นเป็นเพียงแค่อาการของจิตนะบางทีถ้าเราไปเติมชื่อมากนะมันก็จะมีสัญญาที่เราให้ท่านอันนี้เราเรียกว่าคิดดีอันนี้เราเรียกว่าคิดไม่ดีอันนี้โกย อันนี้รักนะบางทีสัญญาที่เราเป็นให้ข้าคิดดีเราก็จะให้ค้าในด้านบวกคิดไม่ดีเราก็จะให้ค้าด้านลบนะความรักเราก็ให้ค้าว่ามันดีความโกรธเราก็ให้ค้าว่ามันไม่ดีนะมันจะเผิดเปให้ข้านะเผิดเปให้ข้าเราจะฝึกแบบไหนให้ใจเราเป็นการเขาฝึกรู้ทันนะรู้ทัน รู้ทันใจให้มันได้เผือไปให้ฆ่าละรู้ทันว่าเราเป็นละเป็นชังละเป็นชอบเป็นไม่ชอบละให้รู้ทันเมื่อไรที่เรารู้ทันนะมันจะกลับมาเป็นความเป็นปกติแต่แน่นอนเรามีสัญญามันก็ต้องมีมีความชอบมีความชังแต่ถ้าเราเห็นสัจจะว่ามันเป็นสัญญานความชอบความชังนะั้นนะ มันจะไม่ไม่ไปเบียดเยคนอื่นแต่มันเป็นเพียงแค่จดีนิสัยแต่มันจะไม่ใช่ความคิดที่เราไปยึดมั่นถือมั่นนะ<ม><ม>คือพวกเราปฏิบัติธรรมมันก็ยังมีนะมีเป็นปกตินแน่ๆนะอย่างเราคนไทย ก, กินอาหารไทยมันก็รู้สึกเรียกว่าถูกลดนะถูกท่าถูกขัน บาีไปกินอาหารแขกอาจจะกินไม่ค่ยไดย้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะให้สมมตินะพระพุทธเจ้าหรือท่านเกิดยุคนี้ท่านมากินอาหารไทยท่านอาจจะไม่ค่ยถูกธาตุปุถันก็ได้นะเพราะท่านกินอาหารแขกมาที่อินเดียมาทั้งชีวิตใช่อืมอย่างปุวายจารนะ์นเนี่ยของพอเวลาป่วยทนะ่านก็อยากกินอาหารพื้นบ้านนะ มันรู้สึกว่ามันเหมือนธากันมันรักดีกว่าบางคนเอาอาหารก็ด่างมาให้ท่านท่านก็แต่นิดแต่หน่อยนะให้มันให้แคร์ดื่มบทีดนิดนึงนะแต่ที่มันถูก่าตุถูกันจริงจริงก็คือสิ่งที่มันคุ้นเคยนะนั้นที่จริงเลยสมมุติภายนอกน่ะมันมีความแตกต่างกันได้แต่หนึ่งเดียวกันที่มันมีเหมือนกันคือการ ไม่ยึดมั่นหรือมันนะมันรู้นะมันรู้ว่าสัญญามันเป็นแบบนี้มันรู้ว่าสังขารปรุงแต่งที่มันออกไปจากสัญญาเป็นแบบนี้นะดีไซน์เวลาทํางานต่างกันสไตล์เวลาพูดเวลาสอนแตกต่างกันนะการใชยึดแตกต่างกันแต่มันรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่สัญญาที่เราใช้นะเป็นเพียงแค่สังขารที่มัน เราเจมได้มันมันจะรู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันเป็นเพียงแค่สมมติเราไม่ได้เข้าไปในเอาสมมตินั้นเป็นตัวตนะมันจะรู้สึกในนั้นมันเหมือนแต่สังคนทั่วไปเราก็พูดว่ามันเป็นเพียงแค่หัวโขนแต่พอตอนหัวโขนมาโดนว่าเนี่ยมันไม่รู้เป็นแค่หัวโขนนะั่นเองทันว่าเราเป็นครูสอน ตอนเด็อยู่นะคนรู้นะครูเป็นเพียงแค่ของโขนนะแต่พอเด็กไม่เชื่อฟังเนี่ยมันของโขนเนี่ยมันมันไม่ใช่ของโขนนั่นแหละเป็นจริงจนะอืะตอนเป็นแม่นะแล้วก็ลูกเขียงนะมันรับความเป็นแม่แที่ขี้ขึ้นมานะในในในจิตเลยมันไม่ใช่เป็นแค่ของโขนแต่ถ้าเรามีสติ เราจะรู้จริงๆว่าเป็นเียแค่หคนนะัวโหนโดยสมมติโดยหน้าที่เพราะว่าสติเนี่ยมันจะยอ้อนตัมมามารักษาใจเป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าเราขาดสติ เ, เราจะจิต ม, มันจะพุ่งออกไปจัดการคนอื่นเนะปจัดการเด็กจัดการคนอื่นที่ทำให้โกรธแต่มีสติเนี่ยสติจะยอ้อนตัมมาจัดการที่ใจยืน่นโกรธไม่ใช่ไปจัดการคน ที่เป็นเหตุเป็นปัจจนะัยทําให้โกรธนะกลับมเจัดการจริตที่มันโกรธตัวนี้นพอจัดการปุ๊บนะความโกรธมันหายไปความเป็นหัวโขนที่มันฟุงแตกมันก็ยังเป็นได้เหมือนเดิมนะมันต้องนะเป็นจะเป็นแบบไม่โกรธเป็นแบบปกตินะก็ใช้หัวโขนะนั้นทําหน้าที่เหมือนเดิมไม่ได้ถอนของโขนแท้แต่พอย้อนกลับมาแล้วตัดจิตเป็นปกติแล้ว เช่นเด็กมันดื้อเด็กมันสนจิตมันโกรธขึ้นมาพอสติย้อนกลับมารักษาจิตให้มันเป็นปกติก็ใช้ความเป็นครูของเรากับเป็นสอนเด็กเตือนเด็กพูดกับเด็กด้วยความเป็นปกตินความเป็นแม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันนะสติมันจะย้อนกลับมานักษาจิตให้เป็นปกติเมื่อจิตเป็นปกติมันก็จะย้อนกลับไปทำหน้าที่ของเขาเอง นั่คือสิ่งที่ม so ันสําคัญมากนะนั้นที่จริงเราอยู่กับโลกนะเราไม่ต้องทิ้งสมมติเพราะถ้าทิ้งสมมติเลยนะมันก็ไม่ใช่นะแต่กลิ่นแล้ว่าเราอยู่กับโลกอย่างไม่หลงสมมตินะภาวนาจริงนะนะครับถ้าเข้าถึงธรรมจริงคือเราไม่ทิ้งสมมติแต่เราไม่หลงในสมมตินถ้าภาวนาแล้วทิ้งสมมตินะนะ อาจจะไม่ใช่ละบางคนอยากจะภาวนาะจริงทิ้งการงานให้คนอื่นทําทิ้งครอบครัวให้คนอื่นต้องดูแลจนเขาลำบากแต่ถ้ามันเคลียได้โดยที่ไม่ทำให้เขาลำบากมันก็ไม่เป็นไรนะมาถึงว่าพักผ่อนนิดหน่อยหรือการงานก็ลกดลงไปบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนคิดว่าภาวนานแล้วต้องทิ้งทุกอย่างนทิ้งทุกอย่างเพื่อจะเอาสักอย่ะ ของคนมีหลายคนที่เจอนะหลายประเภทตั้งใจบวชนะตั้งใจสลัดทุกอย่างสลาดทุกอย่างการงานครอบครัวเงินทองต่างๆเพื่อมาบวชจิตมันรู้สึกว่าตัเองทิ้งทุกอย่างแต่พอมาภาวนาแล้วมันยังไม่ได้ธรรมะไม่ได้อะไรทักอย่างเนี่ยมันรู้สึกทุกข์มากเลยนะเพราะรู้สึกว่าตัวทิ้งทางโลกมาจะเอาทางธรรมเต็มที่นะ แต่มันเหมือนอยู่ธรรมชกลา ง, างาโลกก็ไม่ได้ไม่มีอะไรละออพอเราทิ้งเข้ามาทำก็ไม่ถึงมันรู้สึกแบบเพ่งความมากเลยไม่มีที่พึ่งนะทำก็ไม่มีที่พึ่งโลกก็กลับไปไม่ได้ละเราโอ้จหใหญ่ทำแบบนั้นใหญ่ใหญ่ทิ้งแบบนั้นนะนะแต่ให้แม้เราบางคนอาจจะทิ้งทางโลกแบบนั้นแต่ไม่ใช่ว่า ทิ้งอันหนึ่งเพื่อจะเอาอันหนึ่งไม่ใช่นะภาวนาไม่ใช่ทิ้งอย่างหนึ่งเพื่อจะเอาอย่างหนึ่งแต่ถ้าทิ้งเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นภาระน่าไม่อยากเขเป็ปเกี่ยวข้องแล้วอันนี้ก็โอเคนนะไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเราจยากมีงานที่ต้องเกี่ยวข้องเราก็ไม่ได้ทิ้งมาแต่เราอาศัยฐานเพราะนั่นแหละเป็นฐานภาวนา คือไม่ทิ้งการภาวนานะแต่ภาวนาในสมมุติที่เราอยู่นันแหละนะเพราะที่จริงทุกอย่างนะั้นสมมุติทั้งนั้นพระนี่ถ้าเราไม่มีสติก็หลงสมมุติออ <c oughs> ไปมหาลัยนะอาจาริ์ยิงธนักศึกษาก็ไม่เห็นไหวเลยนะรู้สึกยังไงไหวมัวนเฉยเฉอเขาไม่ไหวก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเรากันไัมนะ เราข้อกังขาอะไรนั่นเด็กก็ทํานั่นทำนี่นะเขาเห็นพระเขาก็เฉยๆเขาเฉยแล้วก็เฉยเไม่เป็นเป็นไรเลยนะแต่ถ้าเราลงสมมตินะโอ้เป็นพระ ก, ก็ต้องมีคนกราบไหว้เป็นนั่นเป็นนี่แล้วต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ก็คือการหลงสมมตินะทุกทุกอย่างก็สมมติทางนั้นแหละเป็นความเป็นพระพอเป็นนักปฏิบัติธรรมยิ่งบางทีพอเราคิดถึง ตอนนี้เรากำลังปฏิบัติธรรมนะเราก็เห็นหลายคนนะแต่ไม่ใช่เ็นพวกเราไม่ได้เป็นแบบหลายที่พอคิดถึงนะปฏิบัติธรรมคิดถึงภาพตัวเองปฏิบัติธรรมมันจะทําใจไม่ปกติ <c oughs> ใจใจเริ่มแบบผิดปกติไปละนี่มันจะเริ่มสำดวมก็มากเกินไป <c oughs> หรือสายตาบางทีก็มากเกินไปบางทีก็แบบ ทำตามเบอเออทำใจซึมซึมทำตัวเร่ร่อนเบาๆเลยนะนะเดินเหนื่อยช้าๆนะนะนี่แต่สังเกตไหมพอจะไปเข้าห้องน้ําจะไปจับอะไรเปลี่ยนทันทีนะสังเกตน้าปฏิบัติธรรมหลานอย่างนี้นะตอนเดินเป็นกลมเดินช้าก็ปกติพอจะเดินกินน้ำปุ๊บเน่ยเดินเร็วเลยขาดสตินะมันต้องต่อเนื่องนะ บางทีเราก็หลงมนะตอนนี้เราปฏิบัติทำเราก็เลยทําแบบเนี้ยพอลืมตัวปุ๊บหิวน้ําเนะเดินเร็วทำเร็วห <c oughs> ยิบจับน้ําขาดสติหาของขาดสตินะมันก็ดูได้นะบางทีตอนที่เราทําในรูปแบบเราก็หลงไปแบบหนึ่งตอนที่เราไม่ทําในรูปแบบมันก็หลงไปแบบหนึ่งทาอย่างไรมันถึงจะมีสติทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเราต้อง ที่จริงไอ้ตอนช่วงที่เปลี่ยนในรูปแบบต้องแบบต้องเรียกว่าต้องรู้ตัวไปด้วยนะเราจะเข้าข้างน้ำเราเดินจมกลมไปแล้วก็เดินออกไปนในจนังหวะที่มันใกล้เคียงเดิน ม, มานล้ไม่ตันมากบางทีเหมือนเราขับรถยนต์เราเปลี่ยนเกียจากสูงไปต่ำจากต่ำไปสูงะรถมันจะชา พวกเราเองก็เหมือนกันบางทีเราปฏิบัติบงทีมันจังหวดก็ดีแต่พอเราคิดอยากจะทําอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนจังหวะเลยนะสติก็ขาดนะอืมถ้าจะเปลี่ยนต้องค่อยๆเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนเกียร์ต้องค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเกียร์เกียรเกียร์เกียรบางทีเราจะหวดฉี่มากจริงแต่ก็แรกๆจะวิ่งไปเลยมก็ขาดสติต้งค่อยๆค่อยๆเร็วๆเร็วไปมันก็อาจจะ ทำให้ตติดมันประคองได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนเร็วเร็วเลยนะมันมันขาดตัดติดนะขาด ต, ตดตได้งนะ่ายอันนี้เราก็ต้องดูตัวเองนะนั้นที่จริงก็ให้เราเอาสมมุตินั่นแหละนะเป็นตัวภาวนากับสมมติอย่าอย่าจีบสมมุติแต่ให้เรารู้สมมุติแล้วก็ไม่หลงในสมมุตนะิเพราะสมมุติจริงๆมันไม่ใช่ตัวตน แต่เราอาศัยการอยู่กับสมมติอยู่กับโลกแหละเป็นการเป็นการทดสอบเป็นการเรียนรู้นะเราอยู่กับเด็กนะเราก็ไม่ใช่เป็นหน้าที่สอนเขาเท่านั้นนะแต่หน้าที่เราคือหน้าที่เรียนด้วย <c oughs> เราอย่าคิดว่าเราคือครูคือผู้สอนแต่เราอย่าลืมว่าเราคือนักเรียนภาวนาเหมือนกันนะเวลาอา เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยแหละหนะ้าที่เราคือเราัะต้องเรียนรู้ดูใจที่มันไม่พอใจนะเด็กเรียบร้อยเกิดความสุกใจนะะพึ่งใจพ่อแม่ชมน่ะผู้ปกครองเขชมเลี้ยงลูก็ดีน่ะเกิดความสุขนะ่นนะเ ร, นรนะนนะเราก็ต้องรู้รู้ทันใจเราที่มีความสุขที่จริงนะ่นะน่ะ แม้เราเป็นครูแล้วก็เป็นนักเรียนอยู่ในตัวนะแม้แต่มเป็นพระเองเมาก็เป็นผู้สอนแล้วก็เป็นผู้เรียนเปนในตัวด้วยนะเวลาพูดเราก็สังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราไปด้วยนะไม่ใช่คิดแต่ว่าจะพูดอะไรเราต้องสังเกตความรู้สึกขณะที่พูดไปเลยนะมันก็ต้องทำสองอย่างด้วยกันนะทำสองอย่างด้วยกันมาว่าต่ออืม หน้าที่ของเรานะทุกๆคนก็ให้ใช้สมมุติให้มันถูกนะถ้าใช้สมมติถูกมันก็เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองมัก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกนะมันก็มันก็เกิดทุกเกิดโทษต่อตัวเราเองหรือเกิดคนอื่นด้วยนะ น, บบนั่นก็ทําแบบเนี้ยไปเรื่อยมาว่ามันก็จะเป็นการใช้ชีวิตอย่างอย่างคุ้มค่านะแล้วก็อย่าง ยังมีความสุขในการใช้ชีวิตภาวนาก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเรียกว่าต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรมากมายนะมันแค่เปลี่ยนการบางใจแค่เปลี่ยนการวางใจไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตอะไรมากแต่ถ้าเราเปลี่ยนการวางใจชีวิตมันเปลี่ยนนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตะ ต่างกันก็ฟังเข้าใจว่าชีวิตมันเปลี่ยนนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิธีชีวิตชีวิตไอ้ที่มันเปลี่ยนจริงเปลี่ยนที่ข้างในยังเกี่ยวข้องกับคนเหมือนเดิมนะแต่ข้างในมันมันมีความนิ่งมากกว่าเดิมข้างในมันไม่ทุกข์เท่าเดิมมันมีเมตตามากขึ้นมันมันเปลี่ยนที่ข้างในก็ยัง เป็นคนเหมือนเดิมยังอยู่ในครอบครัวเหมือนเดิมแต่แต่ก่อนมีปัญหาตอนที่พอกัดไม่มีปัญหาวิถีชีวิตที่ต้องพูดคุยต้องทํางานก็ยังเหมือนเดิมแต่จิตใจมันเปลี่ยนที่ข้างในนะนี่นคือสิ่งสําคัญนะแต่แต่ไปมุ่งเน้นเปลี่ยนที่ภายนอกให้มามุ่งเน้นเปลี่ยนที่ภายในของเราเนาะก็บปากไว้